คำดับที่11เมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2552โดยพระทันจิตคุณวอวโรยมโยมที่มาถึงแล้วช่วยหยิบกระดาษคนละหนึ่งแผน่นแล้วก็ประกาและคนละแท่ง เรามีเวลาไม่มากนักนะจะเจริญอนไม่ทราบกระดาษหรือปากกาพอไม่เอ่ยมีอีกน ะ, จะเจริญ่าเดี๋ยวโยมที่จะฝึกต้องเขียนทุกคนนะต้องเขียนทุกคนเขียนตามความเป็นจริงแล้วเขียนอย่างที่เรารู้สึกจริงๆเดี๋ยวจะมีเวลาให้โยมเขียนเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นนะเขียนแล้วไม่ต้องส่งอัตมาจะเป็นประโยชน์กับโยมเหมือนเศรษฐีใจดีนั่นแหละ ให้ยมเอาไปติดไว้หัวนอนเลยตื่นเช้ามาอ่านทุกครั้งนะตื่นเช้ามาอ่านให้ทุกวันเลยอ้าวแล้วจะเดินถอนนะโยมที่เพิ่งมาถึงหยิบกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็ปากกาหนึ่งด้าม น, นะเดี๋ยวต้องเข็นกันทุกคน ตอนนี้ถ้าใครพวกโทรศัพท์มือถือมาช่วยปิดด้วยนะหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นระบบสัน่นเพราะว่าต่อจากนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องใช้ความสงบเลยเพราะว่าอยากจะให้มีเรื่องรบกวนเข้ามารบกวนน้อยในการฝึกจะได้ได้ประโยชน์เต็มที่ส่วนโยมที่เพิ่งมาถึงนะหยิบปากกาหนึ่งด้ามด้างทางด้านหลังนะแล้วก็กระดาษหนึ่งแผน่น เดี๋ยวเราจะให้เขียนอะไรบางอย่างใครเอาโทรศัพท์มือถือมาช่วยเปลี่ยนเป็นระบบสั่นหรือไม่ก็ปิดไปเลยนะจเจนพรใช้เวลาประมาณสักสามสิบห้านาทีอาน ะ, จะเจนพรสิ่งที่อาตมาตจะให้ทยอมทำต่อไปนี้คือหนึ่งจะมีเวลาให้ยมเขียนประมาณห้านาทีเดี๋ยวจะบอกหัวข้อให้ว่าจะให้เขียนเรื่องอะไรเมื่อยมเขียนเสร็ เมื่ออาตมาครอบกระดิ่งข้อบระฆังใบเล็กใบนี้ขอให้โยงวางปากกาแค่ไหนคือแค่นั้นนะห้านาทีคือห้านาทีไม่มีสิทธิ์ต่อรองนะจากนั้นให้นั่งขัดสมาธินั่งตัวตรงแล้วก็คิดพิจรารณาต่ออย่างที่อาตมาจะบอกต่อไปเข้าใจนะ แล้วก็คิดพิจารณาต่ออย่างที่ธรรมะจะบอกต่อไปขอให้รู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของโยมแล้วจริงจังกับมันอย่างที่เรียกว่าเป็นเรื่องจริงในชีวิตของโยมเลยประโยชน์จะเกิดขึ้นมากหรือนอยอยู่ที่ตรงนี้เข้าใจนะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้โยมนั่งคัสมาทิก่อน ให้โยมนั่งคัดสมาธิจากนั้นสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆือลึกเยียวยาให้รู้สึกสบายๆหายใจเข้าออกช้าๆลึกเยียวยาทำใจให้สงบก่อนจากนั้นตั้งใจฟังสิ่งที่โยมทำต่อไปนี้ ตอนนี้เวลาสิบอ็ดโมงครึ่งในอีกสิบนาทีต่อไปนี้โยมจะต้องตายแต่สิบแต่ว่าตอนไหนไม่ทราบโยมจะมีโอกาสใช้ร่างกายนี้ในการสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นสิ่งที่ผู้อื่นจะรับรู้ได้จากโยมไม่ว่าคนที่รักครอบครัวของโยมเขาจะรับรู้ได้ผ่าน แผ่นกระดาษที่โยมเขียนที่โยมต้องการจะสื่อสารกับเขาหมดห้านาทีนี้แล้วโยมหมดโอกาสในการใช้ร่างกายนี้ในการสื่อสารกับผู้อื่นให้โยมกลับมานั่งเป็นสมาธิแบบนี้แล้วก็เตรียมตัวรับความตายการรับรู้โลกโยมจะทำได้ต่อจาก ที่ยอมเขียนอีกแค่ห้านาทีเท่านั้นการตายจะเกิดขึ้นเมื่ออาตมาเคาะรักขังซึ่งข้อตอนไหนบอกไม่ได้แต่ว่ายอมจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินเที่ยงนี้เมื่อได้ยินเสียงรักขังนั่นคือขณะ ท, ที่ยอมตายเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นโยมมีเวลาห้านาทีโยมอยากจะสั่งเสียใครอยากจะบอกอะไรกับใครไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนที่รักพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือทรัพย์สมบัติที่โยมมีโยมจะฝา่ายโยมจะจัดสรรจะทําอะไรกับมันโยมมีเวลาบอกเขาแค่ห้านาทีเท่านั้นหมดห้านาทีวางปากกาอาตมาจะเข้าระฆัง เอาละเพราะฉะนั้นขอให้เขียนคำสั่งเสียสุดท้ายของโยมได้ลืมตาขึ้นมาแล้วเขียนได้เลยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโยมนะถ้าใครปากกาเขียนไม่ออกข้างหลังจังมีปากกาเหลืออยู่นะอยากจะบอกอยากจะทำอะไรให้กับใคร โยมมีเวลาแค่ห้านาทีนี้เท่านั้นใช้ห้านาทีนี้ให้คุ้มค่านะต่อไปโยมจะไม่ได้พบกับพวกเขาอีกแล้วต่อไปเราต้องจากพวกเขาทั้งหมด มีอะไรที่ค้างค้าาใจกับใครบ้างมีโอกาสสุดท้ายมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกเขามีโอกาสสุดท้าย มีสิ่งใดที่ยมยังไม่ได้ฝากฝังนี่โอกาสสุดท้ายเหลือเวลาอีกแค่สามนาที โยมมีโอกาสสื่อสารกับคนอื่นได้อีกแค่สามนาทีเท่านั้นเหมือนโยมกำลังนอนใกล้าตายโยมมีแรงพูดอยู่อีกแค่สามนาที อยากขอบคุณใครอยากขอโทษใครจะจัดสรรสิ่งที่มีอยู่อย่างไรจะสังเยอะไรกับใครบ้างโอกาสสุดท้ายแล้วเหลือเวลาอีกแค่สองนาที จากกันแล้วนะจะไม่เห็นหน้ากันอีกแล้วครั้งสุดท้ายแล้วที่จะได้สื่อสารกันนี่คือสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไว้ให้กับเขา วาอีกหนึ่นาที เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโยมาประกาศได้ขอให้นั่งโยงหมดโอกาสใช้ร่างกายนี้ในการสื่อสารแล้ว ขอยโยมนั่งหลับตาโยมหมดแรงที่จะมองสิ่งต่างๆยี่รอบตัวโยมแล้วการรับรู้ของโยมกำลังจะหมดไป โยมมีเวลารับรู้โลกนี้อยู่อีกแค่ห้านาทีถ้าจากค้านาทีนี้โยมจะไม่มีการรับรู้โลกแต่ยังมีชีวิตอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายของโยมจะรับรู้อยู่อีก5ห้านาทีแต่โยมสื่อสารออกไปไม่ได้แล้วห้านาทีนี้โยมจะใช้มันอย่างไร โอกาสสุดท้ายที่จะได้ยินเสีย ง, งตา่างๆโอกาสสุดท้ายที่จะรับรู้กลิ่นโอกาสสุดท้ายที่จะรับรู้สัมผัสโอกาสสุดท้ายที่จะรับรู้รสโยมกำลังต้องจากโลกนี้ไปแล้วการรับรู้ทางตาของโยมหมดไปแล้ว โดยแค่สีทางเท่านั้นที่กำลังจะหมดไปโจมีเวลารับรู้โลกอีกแค่สองนาที เสียงของคนที่เรารักที่เคยได้ยินกำลังจะหมดไปสัมผัสที่เขาสัมผัสเรากำลังจะหมดไปความรักความห่วงใยความอบอุ่นที่คนรักอ้างกำลังมีให้เรากำลังจะหมดไปโยมกำลังที่จะไม่สามารถรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้แล้ว เพืออแค่หนึ่งนาทีต้องจากแล้วเนาะพ่อแม่ต้องจากแล้วนะคนที่รักต้องจากแล้วนะลูกลูกต้องจากแล้วนะเพื่อนๆน ต้องจากแล้วนะทุกทุกคนต้องจากแล้วนะทรัพย์สมบัติทางลาย จะยงควรนักษาไว้อย่างไรจะโมโหวงหรือไม่ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหยุดหมดการรับรู้แล้วนะ เหลือแต่สภาพจิตใจของโยมเท่านั้นทุกขณะตอนนี้เป็นขณะแห่งการตายของโยมในทุกเมื่อถ้าระฆังดังขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือเวลาที่โยมตาย รู้และ ว, วางมันซะอย่าติดกับมันไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรไม่ว่าภาวะเช่นใดเกิดขึ้นเราจมต้องจากทุกอย่างไม่ว่าความคิดหรือความรู้สึกใดเกิดขึ้น สุดท้ายโยมต้องทิ้งมันละดูสภาพจิตของโยมเอาไว้โยมอาจตายได้ทุกขณะสภาพจิตมันเป็นอย่างไรสภาพจิตแม้ดีงามแค่ไหนก็าตาม สุดท้ายยมต้องทิ้งโยมคุณยึดกับมันไว้ไหมวางจากทุกอย่างปล่อยทุกอย่างให้เรือกระจที่เป็นอิสระเอาไวา้ไม่ว่าเป็นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้น ไม่ว่าความคิดอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าเกิดการรับรู้อะไรทิ้งมันไปวางมันไปมันไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีเพราะมันกำลังจากโยมไปทั้งสิ้น เกิดก็เรื่องของมันดับก็เรื่องของมันอย่าปล่อยให้ใจเข้าไปจับวางให้หมดเพราะเมื่อการดับมาเยือนสิ่งนั้นก็จะมาอยู่กับโยมอีกต่อไปแล้ว อย่าไปอึดอัดปฏิเสธเมื่อมันเกิดอย่าเข้าไปผูกพันยึดติดเมื่อมันตั้งอยู่อย่าไปหวนละห้อยรั้งให้มันอยู่เมื่อมันดับไป รู้สึกถึงทุกอย่างเห็นทุกๆอย่างโดยความที่มันดับไปทั้งสิ้นใจ่าเข้าไปเกาะเกี่ยวผูกพันปล่อยวางและทิ้งทั้งหมด สภาพจิตยังไม่สามารถปล่อยวางปลอดโปรงได้อย่างน้อยรักษาให่อยู่กับความผ่องใสความสงบความสุขความดีงามไว้อย่าปล่อยให้จิตเศร้าหมองอย่าปล่อยให้ความวุ่นเข้ามาครอบงำอย่างน้อยตอนความตายมาเยือนให้สภาพจิตอยู่ในภาวะที่ดีงาม ดีที่สุดคือวางได้จากทุกอย่างสลัดคืนทุกอย่างไม่จับไม่ติดไม่ยึดในทุกๆอย่าง โยมจิ่ในภาวะแบบไหนสภาพภพภูมิอย่างไหนอยู่ที่อัตามาติกระดิ่งถ้าตอนเสียงกระดิ่งดังจิตใจผ่องใสดีงามคือสุขติปล่อยวางได้หมดคือสังสารวัตรมรณะเศ้าหมองเพิดเพลินยินดีหรือโง่เหงาหันนอนนั่นคืออบาย สงสารคิดมากนั่นคืออบายปลอดโปรงทองใสสงบตีงามนั่นคือสุขติความทายจากมาเยือนความทายไม่บอกล่วงหน้า ความตาจะเกิดขึ้น ดูสภาพจิตของเราไว้นะวางได้ไหมลอดโปร่งหรือเปล่าแล้วรู้สึกยังไงคราวนี้ให้โยมหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆเย่ยวยาวหายใจเข้าเบิกบานมีความสุขหายใจออกเบิกบาน มีความสุขหาใจช้าๆตึกๆเดียวๆจะแผ่เมตตาด้วยก็ได้เอาละลืมตาขึ้นมาได้ เป็นยังไงบ้างเอ่ยไปพ่อภูมิไหนกันนี่คือโอกาสดีที่สุดสาหรับโยมเพราะในความเป็นจริงไม่ใช่สบายอย่างนี้ความเป็นจริงไม่ใช่สบายอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ลำบากเพียงแค่ปวดขายอย่างนี้ เพราะว่าสิ่งที่โยมจะพบในความจริงในชีวิตโยมไม่รู้ว่าตอนไหนจิตของโยมเป็นยังไงในทุกๆขณะระวังรักษาไว้ตลอดกำลังวิ่งจับยึดอยู่หรือกำลังปล่อยวางรักษาให้ได้ตลอดอย่างที่บอกไว้ความตายไม่บอกเรื่องหน้าไม่มีกำหนดการเวลาแต่ว่าทุกคนต้องตาย เพราะฉะนั้นการฝึกมรณสติก็คือในช่วงตั้งแต่อาตมาบอกว่าโยมเลิกเขียนแล้วจนกระทั่งถึงข้อระกังนั่นแหละถ้ายมนึกเสมอความตายจะมีความตายจะเกิดขึ้นโยมยังอยากจะติดยึดกับอะไรอีกล่วโยมควรรักษาใจไว้ยอย่างไร ถ้าเห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นล้วนแล้วต้องดับไปโยมจะได้วางมันได้แล้วก็ปล่อยมันตลอดรับรู้แต่ว่าปล่อยมันตลอดยังปล่อยไม่ได้อย่างน้อยต้องให้ใจยอยู่กับความดีงามไม่เช่นนั้นตายไปณขณะนั้นๆก็เราจะเเราก็จะได้คติไม่ดีนั้นพยายามนึกถึงระลึกอย่างนี้ไว้ตลอดตื่นเช้ามาไหวพระสวดมนต์ จะเิ่มรณะสติก่อนจะเจมระิะมรณะสติเสร็จแผ่เมตตาเพราะทุกครั้งทุกขณะนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราตั้งใจไว้อย่างนั้นไม่ว่าเจอกับใครพบเห็นใครตั้งใจไว้นี่คือการพูดครั้งสุดท้ายนี่คือการคุยครั้งสุดท้ายเหมือนอย่างที่โยมเขียนทุกครั้งที่รู้สึกนี่คือความรู้สึกครั้งสุดท้ายอยากให้เป็นยังไงตอนเย็นกลับมาไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิแผ่มเมตตเจริญมรณสติยมจะได้ไม่ตกในความประมาทแลวก็แผ่เมตตาเราจะได้ไม่ตกในความประมาทและโดยแท้จริงแล้วการเจริญอย่างนี้ควรทำอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยซ้ำ ถ้าโยมรู้ว่าขณะ น, นี้ความคิดนี้เป็นความคิดครั้งสุดท้ายของโยมโ ย, ยมควรจะให้เป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดีละ่ะถ้าความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกครั้งสุดท้ายของโยมโ <c oughs> ยมควรให้เป็นความรู้สึกแบบไหนโยมยังควรที่จะติดจิตกับสิ่งต่างๆอยู่หรือไม่หรือเราจะวางมาันออกไปให้หมดมันในใจนั้นให้เป็นอิสระและปล่อยวางแต่ภายนอกนี่คือโอกาสสุดท้ายโยมทาให้มันเต็มที่ ให้สมกับที่เรายังมีโอกาสภายในใจไม่ติดยึดแต่ภายนอกทากิจและสิ่งที่ควรทำอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าท่านทั้งฝากเอาไว้เป็นคำสอนในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ว่าวยะธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธะสังขาร คือร่างกายจิตใจรูปธรรมนมามธรรมทั้งหมดมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานะเธอจงทําสิ่งที่ควรทาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาสสิ่งที่ควรทําในแง่ภายนอกคือการเกื้อกูลและสิ่งที่ควรทากับคนอื่นรีดทำซะโอกาสสุดท้ายภายในคือใจที่ปล่อยปลงเป็นอิสระฝึกไว้ทําไว้รีดทำซะในขณะที่ยังมีโอกาส เพราะฉะนั้นฝากไว้สําหรับโยมนะการฝึกโดยการลึกนึกถึงความตายโดยการพิจารณามีสติเกิดการกระตุ้นเราไม่ให้ประมาทเรียกว่าเกิดความสังเวชและทําให้เกิดปัญญาในการพิจารณาเพื่อวางจากสิ่งต่างๆทั้งหมดนี่คือเกิดปัญญาพิจารณาได้อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการเจริญมรณะสติมีประโยชน์ในทุกกรณีโยมยังควรจะโกรธกันอยู่หรือเปล่า โยมยังควรที่จะต้องติดจึดกับสิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยู่หรือไม่หรือเราควรทํำยังไงกับสิ่ ง, งต่างๆเมื่อเรายังมีโอกาสสิ่งที่โยมเขียนขอให้โยมไปติดไว้ที่หัวนอนตื่นมาตอนเช้าอ่านก่อนนอนอ่ามีเวลาว่างมาอ่านแล้วถามตัวเองว่าเราได้ทําแล้วหรื อ, อยังในสิ่งที่โยมได้เขียนเอาไว้ เมื่อกี้ตอนให้โยมได้เริ่มต้นปฏิบัติโยมไม่มีโอกาสทํำสิ่งเหล่านั้นเพราะมีเวลาเหลือแค่ห้านาทีในการที่โยมจะสื่อสารแต่ตอนนี้ถือว่าธรรมชาติให้โอกาสโยมเพราะโยมได้กามารู้จักพระพุทธศาสนาจะทําอะไรรีบทำซะสิ่งที่เขียนนั้นรีบทํำซะวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่โยมได้ทําก็ได้ ทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าถ้าโยมยังมีโอกาสตื่นนอนขึ้นมานั่นอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของโยมเพราะวันนี้โยมอาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็ได้ทำเสียให้เต็มที่ทำเสียให้เึงพร้อมรวมไปถึงใจของโยมด้วยวางมันซะยึดไว้มันไม่เคยประโยชน์อะไรหรอกมีแต่ทำให้เราทุกข์ อาน ะ, จะเจริญพอฉั้นวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอาตมาคงจะขอจบการนำในเรื่องของการปฏิบัติมรณะสติไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าโยมคงจะได้เห็นความจริงบางอย่างในชีวิตของโยมนะได้เห็นความจริงบางอย่างในชีวิตของโยมแล้วใช้มันให้สมกับเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่โยมได้มาจากธรรมชาติแล้วก็หวังว่าโยมทุกท่าน คงจะฝึกประพฤติปฏิบัติมีสติมีความสังเวชและเกิดปัญญาวางจากทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ขอให้ทุกคนได้ตายจากสังสารวัฏ ส, สมใจของโยมนะอ่าข อ, อมโมธนาอ่าลำดับต่อไปี่เชิญโยมแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์